ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตะปะพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมาภพิรกิตะอมาโรเกิดวัดบรมนิวารัจนาต่อไปจะเป็นสุทิกะปาจิตตีในอเจรกวัคที่ห้าประดับด้วยสิกขาบทสิทธ อเจรกะสิกขาบทที่หนึ่งความว่าทิสุให้ของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นอามิ t h สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยมือของตนแกเดียรภี hi, คืออเจรกะคนเปลือยและปริภาชกแน่นาปริภาชิกาซึ่งเป็นคนถือเพศปวดนอกพระพุทธศาสนาไม่ใช่สาธรรมมิตทั้งห้าเหล่านี้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นปจิตีนับด้วยประโยคที่ให้ฐานบทตอนนี้ก็เป็นเอระ อมาสมุานมีสมุทฐานสองกายอย่างหนึ่งแล้วก็กายจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาก็คือทำการให้อาหารแกบบ่พวกนัก บ, บวชนักปัสนาเป็นโนสัญญาวิโมกอาอจิตตกะอนติวัชะกายกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามต่อไปอุโ ย, โยชนะสิกขาบทที่สองความว่าพิสุชวนพิสุด้วยกันไปบิณฑบาตยังบ้านและนิคมแล้ว จะให้เขาให้อามิตแก่เธอนั้นก็ตามหรือว่าไม่ให้ก็ตามเธอเองอยากจะซิกซีเล่นหรือจะนั่งในที่รับกับมาตุกคามหรือจะประพฤติอนาจารอย่างใดอย่างหนึ่งและขับไล่พิกจุนั้นเสียต้องทุกข์กดเธอนั้นล่วงอุปจาระแล้วด้วยเท้าข้างหนึ่งก็คือพิกษุที่ไปด้วยกันเนี่ยถูกไล่ให้กลับเลยนะถ้าก้าวล่วงอุปจาระด้วยเท้าข้างหนึ่งผู้ไล่ต้องทุกข์กด เธอร่วงด้วยเท้าที่สองผู้ไล่ต้องปาจิตตีในโอกาสที่แจ้งประมาณทัศนูปจาระเพียงสิบสองอกสวนูปจาระก็เหมือนกันหมายถึงว่าที่พอเห็นได้เนี่ยสิบสองอกออกไปเนี่ยนะถ้าฝาหรือประตูหรือว่ากำแพงเป็นต้นกั้นอยู่ความล่วงที่กั้นด้วยของเหล่านั้นแลชื่อว่าร่วงอุปจาระก็คือมองไม่เห็นแล้วก็เรียกว่าร่วงทัศนูปจาระไป ในอุปสัมบันิเป็นติกะปาจิตตีในอนุสัมบัติเป็นติกะทุกตกกล่าวกะลิาศาสนะก็คือคำที่เป็นโทษที่เสื่อมเสียแก่อุปสัมบันและอนุสัมบันทั้งสองว่าท่านทั้งหลายมาดูเถิดคนนี้ยืนเหมือนต่อนั่งเหมือนสุนัขเหลวแลเหมือนว่านอนดังนี้ต้องทุกกกไล่ให้ไปด้วยเหตุอันสมควรเป็นต้นว่า มายถึว่าถ้าเกิดให้กลับเพราะว่ามีเหตุอันสมควรเช่นสองรูปอยู่แห่งเดียวกันจะไม่พอเลี้ยงชีพและเห็นของดีมีราคาและเห็นหญิงจะเกิดโลคและความกระสันคือพิสูจน์ที่มาด้วยเนี่ยนะอาจจะเกิดความโลคความกระสันนย่างนี้ก็หรือให้เอาของไปให้คนไข้เป็นต้นหรือไม่ประสงค์จับประพฤติอนาจารมีกิจเกิดขึ้นจึงส่งกลับไปและพิสูจบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอับัติก็มีเหตุก็ส่งกลับได้ ทิฆบทข้อนี้เป็นสารนักกิจต้องเพราะบังคับก็คือไล่ไปบังคับให้ไล่นี่ก็เป็นธรรมีองค์สามก็คือใคร่จะประพฤติอนาจารหนึ่งไล่อุปสัมบันิเพื่อประโยชน์นั้นหนึ่งผู้ต้องไล่ก็คือผู้ที่ถูกไล่เนี่ยร่วมอุปจาระไปมีองค์สามนะครบองค์สามนี้จึงเป็นปัจจิ ต, ตี สมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอ า, าทินนาฐานสิกขาบทก็คือมีสมุทฐานสามกายจิตอย่างหนึ่งวาจาจิตอย่างหนึ่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเป็นสัญญาวิโมกเป็นสจิตกะเป็นโลกวัชชะทั้งกายกรรมวิจีกรรมแล้วก็อกุศลจิตมีเวทนาสามเลยจบข้อที่สองนะอุยโยชนะสิกขาบทข้อที่ 3, สามสัพโทชนะสิกขาบทความว่าในตระกูลใดผัวเมีย คือไม่ใช่พระนาคามีผู้นายจากความกําหนดแล้วเขายังความกําหนด ก, กันอยู่เข้าอยู่ในเรือนเป็นที่นอนเขายังไม่ออกก็คือในห้องนอนนั้นถ้าเรือนใหญ่ภิกตุล่วงหัตถบาทเช็ดหน้าประตูเรือนเข้าไปถ้าเรือนเล็กล่วงท่ามกลางเรือนเข้าไปนั่งในที่ใกล้แห่งที่นอนไม่มีภิกตุอื่นเป็นสองด้วยต้องปาจิตตีไปนั่งกีดกันผัวเมียเขาเขากาลัง มีความกําหนัดต่อกันนี่ก็ไปการกั้นอยู่ก็มีรับาัดมีสมุดฐานดูดปฐมป ร, ราชิกสมุดฐานเดียวก็คือกายจิตเป็นกิริยาสั ญ, ญาวิมโมกข์สจิตกะโลกวัชชะเป็นกายกรรมอกุศลจิตมีเวทนาสองประการเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปการกาั้นโดยเพราะถ้าเขานิมนต์ให้กลับแล้วก็ควรจะกลับถ้าไปการกั้นอยู่ก็มีโทษเขาก็ติดเตียนได้ต่อไป ในปฐมระหวนนิสสัชสิกขาบทที่สี่ความว่าเทีตุใดนั่งนอนในอาสนะซึ่งกำบังด้วยเครื่องบังรับตากราบด้วยมาตุคาแม้เกิดในวันนั้นต้องปตายสิทีอันนี้ก็ต้องมีจิตกำหนักด้วยนะเหมือนปฐมปราชิกสมุทฐานสมุทฐานทั้งหลายก็เหมือนปฐมปราชิกก็คือสมุทฐานเดียวกายจิตนั่นเองส่วนทุติยะระหวนนิสสัชสิกขาบทที่ห้า คำว่าทิกสุใดนั่งนอนในที่แจ้งรับหูกับด้วยหญิงผู้รู้ความผู้เดียวต้องปาจิตติสมุทฐานก็เหมือนกับปฐมประราชิบเหมือนกันก็คือสมุทฐานเดียวกายจิตเป็นจิริยาสัญญามิโมกเป็นสกิจกะกายกรรมโลกวะชะแล้วก็อาบุตรจิตมีเวทนาสองสมุทฐานวิธีเป็นต้นแห่งถิกาบนทั้งสองนี้ก็เหมือนกับปฐมประราชิกในความนอกนั้นก็ พึงรู้โดยในที่ได้กล่าวไว้แล้วในอนิยตตะทั้งสองเห็นอนิยตตะข้อแรกก็นั่งในที่รับพอจะทําการได้เพราะฉะนั้นก็โจดด้วยประชิบก็ได้สำคัญเสกก็ได้ไปจิตทีก็ได้แต่ว่าสิกบดอนิยตตะข้อที่สองก็นั่งในที่รับไม่สามารถจะทําการได้คือไม่สามารถเสร็จในทุนได้แต่ว่ายังสามารถที่จะพูดเคาะพูดเกี่ยวได้นะในที่รับหูต่อไปจาริตตะสิาบทที่หกความว่า เพียบสูใดอันทยยกเขานิมนต์ด้วยโภชนะทั้งห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันใดแล้วเธอฉันโพชนะที่เขานิมนต์นั้นแล้วหรือยังไม่ได้ฉันก็ตามไม่ลาทิฏฐุที่มีอยู่และไปสู่ตระกูลอื่นจากตระกูลแห่งผู้นิมนต์นั้นในเช้าชั่วเที่ยงคื อ, อยังไม่เลยเที่ยงเล น, นะเมื่อลงอุปจาระเรือนแห่งตระกูลอื่นนั้นต้องทุกกดก้าวล่วงธรณีประตูเรือนด้วยเท้าทีแรกต้องทุกกอีก เจ้าร่วงด้วยเท้าที่สองต้องปาจิตีเริ่มตั้งแต่มีจีวรฏฐานัสมัยคราวให้จีวรนคราวถวายจีวรและจีวัการัตสมัยคราวทําจีวรนนั่นกล่าวแล้วในคณะโภชนะาภิกษุใดอยู่ในทัศนูปจาระในภายในอุปจาระสมาพอจะเห็นกันได้พอจะบอกได้ด้วยคําเป็นปกติภิกษุนั้นชื่อว่ามีอยู่ค้นกว่านั้นชื่อว่าไม่มีก็ ค, คือไม่เห็นภักจุอยู่ตรงไหน แั่นก็ได้ว่าไม่มีก็สามารถที่จะไปได้แต่ถ้าอยู่ในท่าสนุประจาระและมีพิกตุอยู่ในที่นั้นแถวนั้นก็ต้องบอกราในพิกตุเขานี่มบนแล้วเป็นติกะปัจจิตีนะก็ะสําคัญว่ายังไม่นด้มบนมว่าสําคัญว่านี่มบนแล้วก็ตามสาคัญถูกสําคัญผิดหรือว่าสงสัยก็ตามก็เข้าไปในแวดบ้านมิเรลาพิกษุอื่นนี่ก็ต้องเอา เขาไม่ได้นิมนต์สำคัญว่าเขานิมนต์หรือว่าสงสัยอยู่เป็นทุกข์กฎรู้ว่าเขาไม่ได้นิมนต์เป็นอนาบัตสมัยทั้งสองมีหรือก็คืออยู่ในสมัยทั้งสองนั้นหรือลาทิกฐุที่มีอยู่ว่าเราจะไปเรือนของคนนั้นแล้วไปและทิฏฐุไม่ลาแล้วไปหรือหนทางไปโดยเรือนและอุปจาระเรือนแห่งผู้อื่นเดินไปตามทางนั้น หรือไปตูอารามอยู่ในภายในบ้านไปที่อยู่ของนามพิกุลีไปที่อยู่เดรผีไปโรงฉันไปเรือนที่เขานิมนหรือว่าเรือนผู้ให้สลากภัดเป็นต้นและไปเพราะอันตรายณที่ตู่บ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัติที่ขาววันนี้ก็เป็นอนาณนาณิติกะใช้ให้ไปธรรมก็ไม่เป็นไม่เป็นอาบัติ มีองค์ห้าก็คือยินดีเขานิมนต์ด้วยโภชนะห้าอันใดอันหนึ่งองค์ที่สองไม่ลาไม่บอกภิษุที่มีอยู่องค์ที่สามไปเรือนอื่นจากเรือนผู้นิมนต์องค์ที่สี่ยังไม่ล่วงเวลาเที่ยงไปองค์ที่ห้าไม่มีสมัยหรืออันตรายเพราะมีองค์ห้านี้จึงเป็นปาจิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกถินสิกขาบทแปลแต่สิาบทนี้ก็เป็นทั้งกิริยาและก็อกิริยา สมุทฐานกถินปฐมกถินก็คือมีสมุทฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งกับกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นโนสัญญาวิโมกขจิตตะปนติวัชระกายกรรมจีกรรมมีจิตตามเวทนาสารต่อไปในมหานามสิกขาบทที่เจ็ดความว่าถ้ายกประวรณาด้วยปัจจัยคือยามีเนยใส่เป็นต้นเพียงสี่เดือนหรือประวรณาซ้าประวรณาเป็นนิดก็ตาม ติ๊กตุไม่เป็นไข่ยาพึงห้ามเสียเลยก็คือเขาภาวนาก็อย่าไปห้ามเขาพึงยินดีรับเถิดถ้าเขาภารณากําหนดตราตรีและกําหนดยาไว้เพียงใดพึงขอเขาตามกําหนดถ้าเธอขอเขาให้เกินกนําหนดธารต ร, ตรีและยาซึ่งเขากําหนดไว้นั้นและกิจซึ่งจะต้องการด้วยยาไม่มีขอยามากรดีหรือขอยาอื่นจากยาที่เขาพึงต้องการ หรือขอยาอื่นจากยาที่จะพึงต้องการก็ดีต้องปาเจตตีในการขอยิ่งกว่ากาหนดนั้นเป็นติดกับประจิตีถ้าไม่ยิ่งกว่ากาหนดหรือสงสัยอยู่ก็เป็นทุกกฏรู้ว่ายังไม่ยิ่งกว่ากาหนดเป็นอนาบัตคือไม่เป็นอนบัตเมื่อความต้องการมีบอกเขาตามจริงแล้วขอให้เกินกาหนดยากาหนดราตรีไปอันนี้ก็ไม่เป็นอนบัต ต้องการบอกว่าเออกาหนดที่ท่านปรนนามไวยหมดแล้วแต่จะมาก็ยังป่วยอยู่ยังมีความต้องการยาอั น, นี้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าขอแต่ญากแต่คนผู้ปรนนาด้วยปรนนาเป็นบุคคลอันนี้หมายถึงว่าเขาปรนนาเป็นสงนะถ้าปรนนาเป็นบุคคลเราก็ไปขอจากบุคคลนั้นและปรนนาไม่มีทีุ่ดหรือขอเพื่อผู้อื่นหรือแลกเอาด้วยทรัพย์ของตนและที่สุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัต สิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ไปขอก็ไม่เป็นนะผู้ใช้ไม่เป็นผู้ขอเป็นมีองคศีก็คือเขาปรณาแก่สงอย่างหนึง่งไปสองขอยาให้เกินกว่านั้นอย่างหนึง่งข้อที่สามไม่เป็นไข้ก็ที่สี่ร่วมกําหนดแล้วพร้อมด้วยองศีนี้จึงเป็นปจจิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับสัญจริตะสิกขาบทก็คือมีสมุทฐานหก สันเชิตาก็หมายถึงสิกาบทที่ว่าด้วยการชักสื่อสุุทัานหกทั้งหมดเลยนะก า, า, ายวาจากายวาจากายจิตาวาจาจิตกายวาจาจิตทั้งหมดเลยเป็นกิริยาโนสั ญ, ญาวิโมกอาจิตตะปันนัติวัชะกายกรรมชีกรรมจิตสาเวทนาสามาต่อไปสิกาบทที่แปดชื่อว่าอุยุตตาสิกา บ, บทความว่าเป๊กตูดใดไปดูจตูรังขีณีเสนา ก็คือกองทัพซึ่งยกออกมาจากบ้านเมืองต้องทุกกดทุกทุกเก้ายืนในทัศนูปจาระและเห็นต้องปาศิ ต, ตีเว้นไว้แต่เหตุที่สมควรมีก็คือญาติอยู่ในหมูเ่เสนาเป็นไข่ไปเยี่ยมญาติอันนี้ไม่เป็นอบัติช้างมีคนแวดล้อมสิบสองคนม้ามีคนสามคนรถมีคนสี่คนคนเดินเท้าสี่คนมือถืออาวุธ ชื่อว่าจัตุรังฆาณีเสนากองทัพมีองศ์ศียืนในที่ใดแลเห็นที่นั้นชื่อว่าทัศนูปจาระมละทัศนูปจาระแล้วแลดูเบ่อยๆเป็น ป, ปัจจิตีตามประโยคในเสนายกกระบวนทัพก็คือกองทัพที่ยกออกแล้วเนี่ยเป็นติกระ ป, ระปัจจิตีจะสำคัญว่ายกแล้วหรือว่ายังไม่ยกออกก็แล้วแต่สงสัยก็แล้วแต่พระอทั้งนั้นไปดูเสนาแต่ไม่ครบองคศี แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งคือขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกกฎนในดังกล่าวแล้วไม่ใช่กระบวนเสนาที่ยกทัพออกแล้วแต่ว่าสําคัญว่ากระบวนเสนายกทัพหรือว่าสงสัยอยู่เป็นทุกกฎรู้ว่าไม่ใช่กระบวนเสนาที่ยกทัพออกเป็นอนาบัติยืนอยู่ในอารามแลเห็นหรือเห็นเขายกมายังที่อยู่ของตนหรือเดินสวนทางไปพบเข้าหรือมีเหตุและมีอันตรายและที่ถูกบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็ ไม่เป็นอาบัติสิ่ขอบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ไปดูคนใช้ก็ไม่ต้องอาบัติข้อนี้มีองค์สี่ก็คือกระบวนกตุรังคะนีเสนายกทัพออกแล้วองคที่สองไปเพื่อจะดูองคที่สามเห็นในที่อื่นพ้นโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตองค์ที่สี่ก็คือไม่มีเหตุที่สมควรหรือว่าอันตรายพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาเจตตี สมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอรักโรมะสิกขาบทแรงแต่สิกขาบทนี้เป็นโลกบัชะแล้วก็เป็นอกุตระจิตมีเวทนาสามสมุดฐานของเอรักโรมะสองก็คือกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกสิกขาบทก้อนนี้ต้องเป็นสจิตกัเป็นกายกรรมปกติแล้วเอรักโรมะสิกขาบทนี้จะเป็นโนสัญญาวิโมกสจิตกะตแต่นี้เท่าแสดงอยู่แล้วเป็นอกุตระจิต อากุศลจิตนี้ก็จะต้องเป็นสจิติกะเมื่อต้องด้วยอากุศลจิตก็เป็นโลกวัชชะต่อไปในเสนาวาสกาิขาบทที่เก้าความวา่าเหตุอันใดอันหนึ่งที่จะพึงไปยังกองทัพถ้ามีขึ้นแก่พิจุให้พิกจุ น, นั้นพึ่งอยู่ในกองทัพเพียงสองคืนหรือว่าสามคืนถ้าพิกจุอยู่ในกองทัพให้เกินปว่าสามราตรีขึ้นไปในวันที่สี่ อาทิตย์อัจจะดองคดแล้วเธอจะยืนหรือนัง่งหรือนอนอยู่ในกองทัพ ก, ก็ตามหรือจะเหาะอยู่ในอากาศก็ตามคงเป็นปาจิตตีสมุดฐานก็เหมือนกับเอรักโรมาสกิกาบทกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งยุรยาโนสัญญาวิโ ม, มกาจิติกะปั น, นัสติวัชชะกายกรรมจิตสามแล้วก็เวทนาสามตะกอที่แล้วนี่เป็นโลกัชชชะอุสรจิต ไปในอุโยธิกะสิคราบทที่สิบความว่าพิกสุถ้าไปอยู่ในกองทัพสองคืนสามคืนด้วยเหตุที่สมควรและไปเที่ยวดูอย่างที่เขารบ ก, กันหรือที่ตรวจพลหรือที่จัดพลอยู่หรือไปดูกองช้างกองม้า ก, กองรถกองเดินเท้าเป็นอบัตทททิทุกกดทุกทุกจ้างเก้าเลยยืนในทัศนูปจาระแลเห็นเป็นปาจิตตีเช้าตั้งแต่สามเชือกขึ้นไป ชื่อว่าอัฐานิกองช้างม้าตั้งแต่สามตัวขึ้นไปชื่อว่าอัศนิกรองมา้ารถตั้งแต่สามคันขึ้นไปชื่อว่ารถอัศนิกองรถทั้งสามนี้มีคนสำหรับดังกล่าวแล้วทุกๆ ก, กองกตัวสื่อช้างมีคนประจำสิบสองม้ามีคนประจำสามรถมีคนประจำสี่ คนเดินเท้าตั้งแต่สี่คนขึ้นไปเนี่ยมีอาวุธครบมือชื่อว่าปัตตานิกกองเดินเท้าสิกขาบ ท, ท น, นี้ก็มีสมุทฐานเหมือนกับเอกรกโรมาสิกขาบทเหมือนกันแต่ว่าเตโลกวัวชะเป็นอาวุ ธ, ธต่ิจิตแล้วก็มีเวทนาสามเหมือนกันจบสิกขาบทที่สิบในปัญจวัคปัญจวัค ก, ก็คืออาเชรากวัคนี่เองต่อไปจะเป็นสุราปานวัคที่หกระดับด้วยสิกขาบทสิบ สุราปนัสิกขาบทก็อต้นความว่าน้ำเมาเขาทําด้วยเชื้อมีแป้งเป็นต้นชื่อว่าสุราน้ําดองเขาทําด้วยดอกไม้เป็นต้นชื่อว่าเมไรทั้งสองสิ่งนั้นตั้งแต่พืชไปเพล็กซ์ดื่มกินแม้ด้วยปลายยาคาเป็นปาจิตตีทุกๆประโยคในน้ําเมาเป็นติกปาจิตตีไม่ใช่น้ําเมาแต่ว่าสําคัญว่าเป็นน้ําเมาหรือว่าสงสัยอยู่กับเป็นทุกข์ฏถ้าดื่มรู้ว่าไม่ใช่น้ําเมา เป็นอนาบัตหม่ยถึงไม่เป็นอนาบัตดื่มกินซึ่งยาชื่อโลนะโสจิรตะและยาสุรตะซึ่งไม่ใช่ของเมาแต่มีกลิ่นมีสีและรสดังน้ำเมาหรือแกงและเนื้อและน้ำมันและมะขามป้อมและน้ำอ้อยงบเขาเจือน้ำเมาลงหน่อยหนึ่งเพื่อจะห้ามขาวและอบกลิ่นเพื่อจะให้แรงดีกลิ่นสีรสไม่ปรากฏ หรือดื่มยาอริฐะที่เขาทําด้วยรถมะขามป้อมเป็นต้นไม่เมาแต่เหมือนน้าเมากระดีและทิกตู่บ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอวบติิฆาบทข้ขอนี้ก็เป็นอนานนติกะใช้ให้ไปดื่มก็ไม่เป็นอวบสําหรับคนใช้มีองสองก็คือเป็นน้ําเมาอย่างหนึ่งแล้วก็ดื่มกินข้อหนึ่งพร้อมด้วยองสองนี้จึงเป็นอวบประจิตตีสมุดถามวิธีก็เหมือนกับเอลักโรมาติคาบทแปลแต่ติขาบทนี้ก็เป็นโลกวชัชชะ แล้วก็เป็นอังคุสตริจิตมีเวทนาสามแต่ว่าเป็นโนสัญญาวิโมกและก็อจิตรกกายกรรมนี่มีการกระทำคือเป็นเจริยาข้อที่สองในอังคูริปรโตตะศิขาบทขี่ดินิวมือเลยนะพิสุประสงค์จะซิกทีคือจะเล่นและขี่กระทบถูกต้องอุปสมบันิคือพิสุด้วยกันเนี่ยในกายแห่งใดแห่งหนึ่งมีรักแร้เป็นต้นด้วยนิ้วมือหรือว่าเอเยวะอันใดอันหนึ่ง แห่งตนเป็นปัจจิตีในอุปสมบัติเป็นติกาปัจจิตีในอนุสมบันิเป็นติการทุกฏแม้ในที่นี้ติคำบทข้อนี้นะแม่นางพิจุณีชื่อว่าเป็นอนุสมบันิแห่งพิกจุพิจุก็ชื่อว่าเป็นอนุสมบันิแห่งนางพิจุณีเพราะฉะนั้นถ้าไปจี้พิจุที้พิจุณีด้วยหวังจะเล่นเนี่ยนะก็อบัติทุกกฏเท่านั้นนะพิจุณีจี้พิจุดูพิจุไปชี้พิษุณีโดยที่ ปัชนาจะเล่นอย่างนี้ก็บัตรทุกกฎแต่นั้วพิสุที่พิสุถ้าบัตรปฏิตีพิสุนีที่พิสุนีก็อบัตรปฏิตีเหมือนกันในการที่จี้ด้วยของที่เนื่องด้วยกายหรือว่าโยนไปให้ถูกข้างเดียวหรือว่าทั้งสองข้างก็คือต่างคนต่างโยนมาเพื่อจะเล่นก็เป็นทุกกฎทั้งสิ้นไม่ประสงค์จะทิศซีและถูกต้องเข้าหรือมีกิจถูกต้องเข้าและพิสุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นบัตร ข้าบดข้อนี้เป็นอนานตสิกะใช้ใทํำก็ไม่ต้องมีองสองก็คือประสงค์จะเล่นสนุกก็หนึ่งแล้วก็ถูกต้องกายของอุปสัมบัติด้วยกายอย่างหนึ่งพร้อมด้วยองสองนี้จึงเป็นปัิตีส ม, มุทฐานวิธีก็เหมือนกับปฐมประรชิกก็คือเป็นกายจิตส ม, มุทฐานเดียวเป็นจริยาสจิตตะเป็นสัญญาวิโมกโลกวัชชะอายกรรมอุปสริกิตมีเวทนาสองต่อไปในหัสธรรมสิกาบท พรวาโดยเล่นน้ําเป็นศบลบทที่สามความว่าพิสุปประสงค์จะเล่นน้ําในน้ําที่ลึกท่วมข้อเท้าลงไปเพื่อจะเล่นเป็นทุกกดทุ ก, ท, กทุกวาระเท้าดำลงผุดขึ้นเป็นปัจจิตีทุกประโยคน์ดำลงแล้วว่ายไปในภายในน้ําเป็นปัจจิตีทุกวาระมืออาระเท้าเลยว่ายไปบนน้าเ้ื่อเอวอัยวะอันใดเป็นปัจจิตีทุกทุกประโยคแห่งอวัยวะนั้น ในการเล่นสนุกในน้ำท่วมข้อเท้าเป็นติกระเปจิตตีตั้งแต่น้ำท่วมข้อเท้าขึ้นไปเป็นเปจิตตีในการเล่นสนุกในน้ำสำคัญว่าเล่นหรือว่าสงสัยอยู่เป็นทุกก์ลงเล่นในน้ำตื้นใต้ข้อเท้าลงไปและเล่นด้วยเรือถือว่ากระทบน้ำเล่นด้วยมือด้วยเท้าด้วยไม้ด้วยกระเบื้องหรือเล่นอยู่ในภาชนะและภาชนะน้ำส้มเป็นต้น และเล่นน้ําโคลนและวักเล่นก็ดีเป็นทุกกฎก็เลยจะเขียนอักษรสองเนื้อความควรอยู่ไม่ประสงค์จะเล่นลงอาบน้ําโดยปกติหรือว่าลงดําน้าเป็นต้นด้วยกิจหรือไหว้ข้ามฟ้าหรือมีอันตรายและที่จูกบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัติข่าวบทข้อนี้ก็เป็นอนานติ ก, กะใช้ให้เล่นก็ผู้ใช้ไม่เป็นอบัติมีองค์สองก็คือน้ําลึกท่วมข้อเท้าขึ้นไป อันที่สองก็คือลงเล่นกระสง์จสนุกพร้อมด้วยองค์สองนี้จึงเป็นอบัติปฏิตีสมุามทานวิธีก็เหมือนกับประถมประราชิมขันก็คือกายกจิตอย่างเดียวกิริยาสัญญาวิโมกขจิติกะแลกวกวัชชะกายกรรมแล้วก็อาวุโสลิจิมีเวชนาสองเป็นโลภะนั่นเองในอนนาดริยะสิขาบทที่สี่ความว่าทิตุ อันอุปสมบัติที่กรุด้ด้วยการตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนชักชวนห้ามประมณ์ด้วยสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่เอื้อเฟือต่อบุคคล น, นั้นหรือว่าต่อธรรมเป็นปาจิตติคิดว่าผู้นี้เป็นคนอันผู้อื่นเขายกโทษเยอะใหญ่ติเตียนอยู่คำของผู้นี้เราจักไม่ทําตามและทําความไม่เอื้อเฟือดังนี้ชื่อว่าไม่เอื้อเฟือต่อบุคคลคิดว่าอย่างไรหนอทําข้อนี้จะพึงชิดหายไปปรดี หรือไม่อยากจะศึกษาทำนั้นก็ดีและตามความไม่เอื้อเฟือดังนี้ชื่อว่าไม่เอื้อเฟือธรรมในอุปสมบันิเป็นติกกปปิจิตติในอนุสมบันิเป็นติกกัุ ก, กฎอุปสมบัติหรืออนุสมบันิตักเตือนว่ากล่าวเพื่อธรรมอันอื่นไม่ใช่สิกขาบทบัญญัติเป็นต้นว่าสิ่งนี้ไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาขูดเกลายเลสดังนี้ไม่เอื้อเฟือเป็นทุกกฎถ้าไม่ใช่เป็นสิกขาบทแนะนำํำด้วยธรรมอย่างอื่นก็ไม่เอื้อเฟื้อเป็นทุกกฎ ก็แลทิจูดายเรียนอุกหะซึ่งมาตามประเพณีและกล่าวตอบว่าอุกหะและปริปุฉาความเล่าเรียนบาลีและอัตถกาถาของอาจารย์ของข้าพเจ้าอย่างนี้ก็ดีและทิจูบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัติไม่ถึงไม่เป็นอนบัติเป็นอนานติกะใช้ให้ไม่เอื้อเฟือ้อก็คนใช้ยังไม่เป็นอนบัติมีองสองก็คืออุปสมบันิตักเตือนว่ากล่าวด้วยพระบัญญัติ องค์ที่สองคือไม่เอือเผือพร้อมด้วยองคศานี้จึงเป็นปัจจิตีสมุตทฐานวิธีก็เหมือนกับอธินาทานสิกขาบทแต่แต่สิกขาบทนี้เป็นทุกขเวทนาก็คือมีสมุทฐานสาม 3, กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยามีการกระทําการไม่เอืเฟือนี้สัญญาวิโมกขจิตตกะโลกวัชชะกายกรรมจีกรรมแล้วก็ข้อนี้เป็นอกุสลจิตเป็นทุกขเวทนาต่อไปพิงสาปะนะสิกขาบทที่ห้าความว่า พิสุหลอนพิกสุอื่นด้วยกันคือนำรูปเสียงสิ่งรสปวดทับทารลมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปหรือกล่าวคําที่น่ากลัวเป็นต้นว่าที่นี้โจรร้ายเสือร้ายดังนี้เพื่อจะให้กลัวเธอนั้นจะกลัวก็ตามไม่กลัวก็ตามคือพิกษุผู้ถูกหลอกจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามผู้ที่หลอกผู้ที่หลอนนี่ต้องปาจิตตีในอุปสมบัติก็เป็นติกาปาจิตตีถ้าในอนุสมบันิก็เป็นติกาทุกขก์ ไม่หมายจะหลอกให้กลัวและนําเอารูปเป็นต้นเข้าไปหรือบอกที่กันดารด้วยโจรเป็นต้นและที่ถูกบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัตสิขปกรณ์นี้ก็เป็นอนานนติกะใช้ให้ไปหลอกก็คนใช้ยังไม่ต้องอบัตคนหลอ ก, กเป็นมีองสองก็คือผู้ที่จะพึงหลอกนั้นเป็นอุปสมบันิเป็นพิสุขพยายามด้วยหวังจะให้อุปสมบันินั้นกลัวในวิสัยที่เธอได้เห็นและได้ยิน จะกลัวหรืไม่กลัก็ตามว่าคนหลอ ก, ก็ต้องเอาบัตรกร้อมด้วยองสองนี้จึงเป็นปัจจิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับสิกขาบทในลำดับมาก็คือสิกขาบทก่อนนี้อนาตริยะสิกขาบทนั้นมีอธินาทานสมุทฐานนะนะองสามมายถึงสมุทฐานสามใจจิตวาจาจิตากายวาจาคิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกขจิตตกาโลกบัญชากายกรรมวิีกรร ม, มเป็นอกุศลจิตเป็นเวทนาสาม ก็ะสงจะเล่นก็ตามโกรธก็ตามมานะต่อไปในโชติสมาดาหณะสิขาบทที่หกความว่าพิกตุใดไม่เป็นไข่เธอประสงค์จะผิงไฟติดไฟเองตั้งแต่จัดแจงไม้ถีไฟไปเปลวไฟยังไม่ลุกขึ้นตราบใดในประโยคทั้งปวงเป็นทุกข์กดตราบนั้นเปลวไฟลุกขึ้นเป็นปาคิตีใช้ให้ผู้อื่นติดไฟก็เป็นทุกข์กดเพราะบังคับ บังคับคราวเดียวแม้เขาติดไฟลุกขึ้นมาต้องปกิติตีตัวเดียวเท่านั้นเว้นไว้แต่เหตุอันสมควรคือตามประที่หรือว่าติดไฟระบมบาดเป็นต้นไม่เป็นอบับพิสุใดเป็นไข้เว้นไฟเสียไม่สบายชื่อว่าเป็นไข้แต่ว่าหนาวตามฤดูจะชื่อว่าเป็นไข้นั้นหาไม่ถ้าตามฤดูหนาวแล้วก็มาถึงนี่กอเป็นไข้ไม่ได้ในพิสุไม่เป็นไข้เป็นติดกาประจิ ต, ตี เป็นไข้สําคัญว่าไม่ปิดไข่หรือว่าสงสัยอยู่แต่ว่าไปติดไฟเพื่อผิงนี่เป็นทุกกฎดุนไฟตกแล้วดับไปยกขึ้นตามที่ก็เป็นทุกกฎถ้ามันดับแล้วไปยกขึ้นไปจุดอีกเป็นทุกกฎถ้าดุ้นไฟนั้นดับก่อให้โพลงขึ้นอีกก็เป็นปฏิตีรู้ว่าเป็นไข้เป็นอนาบัตก็คือไม่เป็นอบัตผิงไฟที่ผู้อื่นก่อไฟถ่านไม่ใช่ไฟรุป ไม่มีเปลวลุบขึ้นหมายว่าเป็นผ่านไฟและติดไฟเพราะเหตุอันสมควรหรือว่ามีอันตรายนะที่ถูกเป็นป้าเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัตเป็นอนณาบัตทีิกำหนนี้เป็นสารนักติดกัใช้ให้กป็นติดก็ต้องอาบัต ด, ด้วยนะมีองค์สี่ก็คือไม่เป็นข้าอย่างหนึ่งไม่มีเหตุที่พระพุทธเจ้าอนุญาตอย่างหนึ่งใครจะผิงอย่างหนึ่งแล้วก็ติดเองหรือว่าใช้ผู้อื่นติดให้โครงขึ้นพร้อมด้วยองค์สี่นี้ก็เป็นปัจจิตตี สมุธฐานวิธีก็รู้โดยในของสัญจริตะสิกขาบทก็มีสมุธฐานหกเปจริยานโนสัญญาวิโมกขอจิตกะปานติวัชชะกายกรรมจีกรกรมจิตสามเวทนาสามในนหาณะสิกขาบทที่เจ็ดความว่าพิกตุได้ยอยู่ในมัติมะประเทศก็คือในอินเดียนั่นแหละแต่วันอาบน้ําครั้งก่อนมาคิดเป็นกึ่งเดือนยังไม่เต็มก็คือไม่ครบกึ่งเดือนนี่นะสิบห้าวัน เธอคิดจะอาบน้ำตกแต่งจุลหรือว่าดินอยู่แต่นั้นมาในประโยคทั้งปวงเป็นทุกกฎอบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องปฏิ ต, ตีเล่ไไนว่แต่มีสมัยเหล่านี้อันใดอันหนึ่งไม่เป็นอบัตก็คือปลายฤดูร้อนเดือนครึ่งชื่อว่าอุณหสมัยคราวร้อนต้นฤดูฝนเดือนหนึ่งชื่อว่าปริราหะสมัยคราวกระวนกระวายเป็นไข้ เว้นอาบน้ําไม่สบายชื่อว่ากีรานสมัยทําการคือทําการงานโดยสุดแม่กว่าบริเวณชื่อว่ากรรมสมัยคราวทาการจากเดินทางเพียงถึงโยอดหรือว่าเดินไปอยู่หรือเดินมาถึงแล้วชื่อว่าอัฏฐานคมาณะสมัยคราวเดินทางไกลลมพัดธุรีถูกตัวและฝนสองเมล็ดหรือว่าสามเม็ดถูกตัวเนี่ยนะชื่อว่าวาตวุติสมัยคราวลมฝน สิขาบทนี้เป็นประเภทสบัญญัติเฉพาะมัชมิมะประเทศในอินเดียเท่านั้นอยู่ในปัจจันต์ประเทศอาบน้ําได้เป็นนิษฐ์ไม่เป็นอบัติสมุทรานก็เหมือนกับเอละกะโรมะสิขาบทสมุทรานสองกายอย่างหนึ่งกาิตอย่างหนึ่งกิริยาโนสัญ ญ, ญมกอจิตตกะปันนติวชัชะเป็นกายกรรมเท่านั้นกิจสามเวทนาสามต่อไปในทุพนกพพนักกระนาสิขาบทที่แปดความว่าพิสุได้ผ้าควรนุ่งห่มมาใหม่ ยังไม่ได้ทำกับปะพินทุยอมเสร็จแล้วพึงทำกับปะพินทุในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วจึงบริโภคนุ่งห่มตัวใหญ่ก็จะทำที่มุมของจีวรที่ได้มาใหม่จุดลงเป็นวงกลมเท่ามณฑลตานกยูงเท่าแววตานุกยูงหรือว่าหลังเลือดด้วยของสามอย่างคือของสีเขียวของสีตมหรือว่าของสีดำเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อว่าทากับปะพินทุ ทิสุดายไม่ทํากับปะพินทุแล้วบริโภคนุ่งห่มไซเป็นปาจิตตีในผ้าไม่ได้ทํากับปะพินทุเป็นติกะปาจิตตีในผ้าทํากับปะพินทุแล้วสําคัญว่าไม่ได้ทําหรือว่าสงสัยอยู่บริโภคเป็นทุกกฏทํากับปะพินทุแล้วรู้อยู่ว่าทําแล้วบริโภคไม่เป็นอบัติทําแล้วกับปะพินทุหายไปเสียหรือโอกาสที่ทํากับปะพินทุครําค่าเสีย และผ้าที่ไม่ได้ทำกับปะพินุเย็บติดกันเข้ากับผ้าที่ทำกับปะพินทุแล้วหรือผ้าปะผ้าอนุวาดผ้าดามเย็บเข้ากับผ้าที่ทำกับปะพินทุแล้วภายหลังบริโภคผ้าเหล่านี้ก็ดีที่สุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอับิสิกาบาข้อนี้ก็เป็นอนานัติกะมีองศา3ก็คือผ้าดังว่าแล้วก็คือได้ผ้ามาใหม่ไม่ได้ทากับปะอย่างหนึ่ง ไม่ใช่จีวรอันหายอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นผู้ที่มีจีวรอันหายอย่างหนึ่งองค์หนึ่งแล้วก็นุ่งหรือว่าห่มผ้านั้นพร้อมด้วยองศาบนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุทรฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอรักโรมาสิกขาบทแต่แต่สิกขาบทนี้เป็นกิริยากิริยะสมุมทรฐานสองก็คือกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งข้อที่เก้าวิกัปปนาสิกขาบท พิสุวิกับผ้าไว้แก่สหรธรรมิกฆ่าคือพิกษุพิกจุนีนาสิกสมานาสามเณรสามเณรีผู้ใดผู้หนึ่งแล้วบริโภคนุ่งห่มผ้านั้นยังไม่ได้ให้เขาถอนวิกัพก่อนเป็นปัจจิตีวิธีวิกัพผ้าจะกล่าวข้างหน้าในผ้าไม่ได้ถอนวิกัพเป็นจิตปัจจิตีอธิฐานหรือว่าเสียสละผ้าที่ไม่ถอนวิกัพนั้นต่อบาตทุกกดถอนวิกัพแล้วสําคัญว่ายังไม่ได้ถอนหรือว่าสงสัยอยู่เป็นทุกกด รู้ว่าถอนวิกับแล้วเป็นอนาบัติผู้รับวิกัพถอนให้หรือว่าบริโภคโดยความคุ้นเคยผิววิสาสะแห่งผู้ที่ตนวิกัพไว้และที่ถูกบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัตเทมือนกันสิขกขาบทขอนี้ก็เป็นอนานนติกะใช้ให้ไปนุ่งหกก็ไม่เป็นอนาบัตินิองค์สามก็คือไม่ปัจจุดถอนถ้าซึ่งตอนวิกับไว้คื อ, อยังไม่ได้ถอนถ้านานกว้างยาวพอวิกัพได้ก็คือแปดนิ้วคูณสี่นิ้วสุคต แล้วก็บริโภคนุ่งหง่มพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกฐินสิกขาบทนั่นเองแต่สิกาบทข้อนี้เป็นกิริยากิริยะก็มีสมุทฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งกับกายวาจาจิตยอย่างหนึ่งโนสัญญาวิโมกอาจิจกกะปันนติวชชัชชะกายกรรมจีกรรมจิตสามเวทนาสามต่อไปสิกขาบทที่สิบก็สุดท้ายในวรคนี้ในสุราปนวะที่หกนี้ เรียกว่าขีวราปนิธานศิษฐาบทในอภรณิธานศิษฐานะนั้นซอนบริขารบาดควรอธิษฐานท้าจีวรกว้างยาพอวิกับขึ้นไปท่านิสิธนะมีชายกล่องเข็มมีเข็มหรือว่าไม่มีเข็มก็ตามแล้วก็รัดประคดเอวเป็นแผ่นหรือว่าเป็นดังไส้หมูก็ตามบริขารห้าสิ่งนี้เป็นของพิสุอื่นพิสุดใดโดยที่สุดแม้จะหัวเราะเล่น นำไปต้อนตัเองหรือว่าให้ซ้อนก็ตามใช้ให้ไปซ่อนก็ตามเป็นปฏิจิติใช้ผู้อื่นเอาไปซ่อนก็เป็นทุกกฎเพราะบังคับก่อนครั้นผู้อื่นนั้นเอาไปซ่อนแล้วเธอผู้บังคับก็ต้องปฏิจจติเหมือนกันในอุปสมบัติเป็นติกัปฏิจจติในอนุสมบัติไปซ่อนของอนุสมบัตก็เป็นติกัดทุกกฎซ่อนเองหรือว่าให้ผู้อื่นซ่อนซึ่งบริหารอื่นเป็นของอุปสมบันิหรือว่าอนุสมบันิตะตาม ยกแต่วัตถุมีบาทเป็นต้นที่ว่ามาแล้วนั้นเสียเป็นทุกกฎบริษัรผู้อื่นวางไว้ไม่ดีช่วยเก็บให้หรือว่าเก็บไปด้วยคิดว่าจะสั่งสอนเจ้าของแล้วจึงจะให้และพิษถูกบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอบัติกบททข้อนี้เป็นสานาติกาใช้ไปซ้อนก็เป็นอบัตเหมือนกันมีองค์สองก็คือซ่อนบาทนาจีวรพาปูนั่งครองเข็มประคดเอวตรงนี้ห้าอย่าง ในซ้อนของห้าอย่างนี้องค์ข้อหนึง่งข้อที่สองก็คือใครจะให้เจ้าของลําบากหรือว่าจะหัวเราะเล่นพร้อมด้วยองค์สองนี้เป็นปาจิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาทานติคาบทนั่นเองก็คือสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยากัญญาวิโมกข์และเจตกาโลกะวัชชะกายรกรรมจีกรรมอธธุตตอไจิตเวทนาสามเลย อ, อันนี้ก็จบปัคที่หกขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รักษาพระวินัย เกือกูลแกพระธรรมพระวินัยนี้เป็นศรรีลพระธรรมก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นเหตุที่ทำใหไตรชิกาสามนั้นบริบูรณ์ได้ประกอให้พร้อมร่างด้วยไตรชิกาประชุมอริยมรรติหนงแปดถ้าจะรู้เป็นพระอริยบุคคลได้ในการไม่เนื่นช้านี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ